รรมชาดกแผ่นที่หกลำดับที่สิบเอ็ดโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่9ทธันวาคม2552มีชื่อเรื่องว่ายายผีหนีซองผ้าป่าคณะ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 ไม่ไหวแล้วหลวงพ่อเด็กนักเรียนชอบกระโดดล้มเหมือนกัน <c oughs> คงจะฝึกขัดมั่งนักเรียนชอบฝึกขัดกระโดดล้มเหมือนกันเอะออกทางหลังกำแพงเหมือนกันเถอะทีนี้นก็เลยครูบายาจารย์เห็นพรองต้องกันกับผู้บริหารจัดการการศึกษาเราจะทำกาแพงทางทางด้านหลังแต่วันนั้นถ้าจำไม่ผิด รวมกันแล้วได้เงินหกแสนเจ็ดเศษมั้งหลวงพ่อก็ได้ออกป่าเออถ้าหาว่ามันไม่พ อ, อยังไงหลวงพ่อหนึ่งแสนนะหลวงพ่อจะช่วยหนึ่งแสนกําแพงนี่จางแต่วันนั้นมาก็เห็นเห็นเงียบไปโอ้โรงเรียนน้ําสมคงจะรวยแลมะมั้งวะไม่เห็นมาทวงอะไรเลยเนี่ยวะ่ะเราก็สบายใจเรากันเถอะเออเพราะว่าไม่ไม่ทวงมาแล้วก็ไม่ให้แล้วใช่ไหมเออ เงินเงินเนี่ยไม่ใช่ของธรรมดาถ้าไม่ทวงแล้วก็ไม่ให้เหมือนกันเออเห็นว่าคิดคิดว่าน่าจะพอจะไปดูๆแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยแง่คัมแพร่งก็เสร็จแล้วน่าจะเสร็จแล้วน่าหนิล่ะวะแต่วันนี้วันนี้ไม่รู้จะมาไม่รู้จะมาทวงทวนความจําหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวฉันจะหันเสร็จที่กวนค่อยพูดกันเหมือนกันแต่หลวงพ่อก็ให้การศึกษาหลายๆแห่งแต่ปีนี้รู้สึกว่ามาลุมมาตุ่มพอสมควร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 ต่อมาเขาก็ได้โรงเรียนหลังหนึ่งขึ้นมาเลยเออแล้วเออจบละหมดหมดภาระของหลวงพ่อแล้ววะทางรัฐบาลเขาให้มาแล้วแต่ที น, นี่เขาให้มาแต่หลังสี่สี่ห้องเรียนข้างบนนักเรียนไม่พอหลวงพอง่อจะขอจากหลวงพ่ออีกจะต่อเติมชั้นล่างอีกเพราะงั้นต่อเติมอาคารหลังนั้นล่ะเพราะงั้นที่เขาให้มาเนี่ยโอ้เท่าไรแล้ววะก็วสามล้านเจ็ดสามแสนเจด 3ามแสนเจ็ดมืนกว่าบาทหลวงพ่อเอื้อหลวงพ่อคิดว่าจะให้เขาอยู่แล้วเป็นหลังในเมื่อเขามาขอต่อเติมชั้นล่างเอา้าโอเคเขาก็เลยเบิกไปงวดแรกแล้วหนึ่งแสนแต่เมื่อวานนึจดหมายโผล่มาอีก เ, อเบิกงวดที่สองแสนสามมักงงวดสุดท้ายของโงจะแสนกว่าบาทอีก พอมันเป็นส0 0 0ดนะอันนี้ก็คือหลวงพ่อได้ช่วยโรวงเรียนบ้านเหล่าปาเป็ดตรงนั้นะจากนั้นก็ได้ช่วยโรวงเรียนต่างๆโรงเรียนอยู่ทองเขาอยากจะได้ที่ดูชมกีฬามั้งมาขออีกแสนกว่าบาทโรวงเรียนบ้านนาครังนี่กอันนี้ก็แสนกว่าบาท โรงเรียนที่ไหนทางน้ำโสมสนึกสวนุกคูมหาในน้ำโสมนึกสูน้ำโสมสน่แหลนะบ้านอะไรเมืองทองทองเนะี่ยอยู่ทางนูนนะ้นอันนั้นก็แสนกว่าบาท <c oughs> ทางบ้านผืออีกแนะปลว่าช่วยโรงเรียนแล้วก็เมื่อวันเมื่ออาทิตย์ก่อนนะั้นหลวงพ่อก็ได้ไป กับพี่น้องชาวบ้านบ้านกล้องอคือลวงภูว่าการอดีตอดีตภูว่าการรถไฟท่านบอกวา่าหงผมอยากจะสร้างอาคารเหมือนหลวงพ่อสร้างนี่แหละหลงพ่อจะมีไหมมีที่ลงไหมโอ้ยมีว่อมีเดี๋ยวหงพ่อจะหาให้จะเอาลังใหญ่ขนาดไหนแล้ววะาหลงพ่อจะให้ผมทําใหญ่ขนาดไหน หลวงพ่อทําลยสองขนาดขนาดถึงสาม ช, ชั้นขนาดหนึ่งสองชั้นให้ขนาดถึงชั้นครึ่งขนาดถึงสองสามชั้นสิบห้าห้องเรียนอแล้วก็เจ็ดห้องเรียนก็มีแล้วก็สี่ห้องเรียนก็มีท่านก็บอกว่าหลวงพ่อจะให้ผมทําขนาดไหนก็ได้ทั้งสามหลังอแสดงว่าใจใหญ่อยู่ด้เนี่ยว่าเอาได้ได้ไ ด, ได้ที่หลวงพ่อก็หาที่ลงเลยท่าน จะเอาลงบ้านกล้องนักเรียนก็น้อยเกินไปถ้าเอาลงไปสิบห้าห้องเรียนอย่างเนี้นักเรียนทั้งหลายก็ลุ่มมาเรียนที่นี่หมดอาคารเก่าที่มีอยู่แล้วก็น่าจะใช้ได้อยู่ก็ทิ้งไว้หมดเียเนี่ยเพราะนักเรียนไม่พอก็เลยก็เลยตกลงกับท่นานว่าจะเอาไปนิคมคำสร้อ ย, ยที่อาเภอนิคมโรงเรียนอาเภอเขาอันนั้นก็นักเรียนประมาณหร้อยกว่าเหมือนกัน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 วันที่สิบกว่าของธันวาเนี่ยมั้งที่พูดกันในวันนั้นจะลงเร็วๆนี่แหละมาสร้างอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนบันกล้องบันก้องก็คงจะน้อยอกน้อยใจบังที่อื่นมีหมดเลยบ้านตำบลยังไม่มีอัน <c oughs> <c oughs> นี้จะให้โรงเรียนบันกล้องแล้วก็ปีนี้ลุงพ่อรับหนักกห็หลายเรื่องอยู่เหมือนกันตั้งแต่เจดีของ ทว่าแก่สมหมายมาอันนั้นก็นี่ยนะจะตุปัจจัยของวัดเราก็จะช่วยไป3ล้านกว่าบาทปองเจดี<ะ> <G D S 2> ของหลวงตาแล้วก็เนี่ยเจดีย์เโรงพยาบาลศูนย์อุดร น, นี่อีกโรงพยาบาลศูนย์อุดรตึก10ชั้นของหลวงตา96ปีในวัดของเรากลุ่มของเราเนี่ยงั้นะจะตุปัจจัยที่ผ่านของเรา คนนั้นบัง่งคนนี้บังนนบ่งคนละนิดคนละหน่อยหลวงพ่อรวบรวมแล้วก็ไปสมทบสร้างอาคารตึกหลังเนี้ยตึก96ปีลงตานี่คือ96ปีลงตานี่ร้ยแปดบสมล้านเฉพาะโครงสร้างนะเฉพาะโครงสร้างนี่ร้อยแปดบสล้านแล้วก็มีส8ปดงวดจะให้แล้วเสร็จทันเดือนสิงหาห้าสามเนี่ยจะให้ได้มอบและฉลองกัน วันเกิดลงตาวันที่สิบสองสิงหาทางผู้รับเหมาก็าบอกรับทันจะเสร็จก่อนระาจะให้เสร็จก่อนเทนี้ก็มีอยู่สิบแปดงวดเ้าก็จ่ายงวดที่หนึ่งงวดที่สองพองวดที่สามนี่เป็นเท่าไหร่งวดที่สามเป็นเงินสี่ล้านสี่ล้านสี่แสนกว่าบาทแต่หกักภาษีพราเป็นเงินบริจาคเขาก็เลยลดภาษีลง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 เป็นผู้สั่งก๋วยเตี๋ยวว่างั้นวัดของเราเนี่ยเป็นผู้ใจจ่ายเงินว่างั้นะจ่ายเงินค่าก๋วยเตี๋ยวอองวดที่สามนี่แหละ <c oughs> แปลว่าจิตุปปัจจัยของหลวงพ่อเนี่ยทะลักไปทะลักมาทะลักมาทะลักไปว่างั้นเอไหลไปไหลามาอยู่แต่ในวัดของหลวงพ่อเดี๋ยวนี้หลวงหลงพ่อก็คิดพัฒนาหลายปีนี่รู้สึกว่าเออวัดของเราก็ เมือกําลังต่อรังแตนทำมันมีคนมากขึ้นมาแล้วก็ขายายออกทำให้ม่มีมาแล้วก็เอาไว้ก่อนทามันมีมาเอาขายายออกคือวัดของเราเนี่ยวัดของหลวงพอ่อหลวงพ่อไม่ได้สร้างมาเพื่อรองรับคนเหมือนกันเลยไม่ใช่สร้างไว้มากๆแล้วก็เผื่อคนมาอลองรับคนเอาไว้หลวงพ่อไม่ได้คิดอย่างนั้น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 หลวงพ่อก็เลยเอาลงเนี่ยแหละเอาลงถนนเนี่แอันนี้ก็คือพัฒนาวัดเหมือนกันหลวงพ่อเนี่ยแบ่งซ้ายแบ่งขวาแบ่งหน้าแบ่งหลังแต่ทำให้พูดให้พวกคณะศรัทธาญาติโยมฟังคณะศรัทธาญาติโยมคงไม่รู้เหมือนกันว่าเออจตุปัจจัยของหลวงพ่อเนี่ยได้มาแล้วไปไปซุกไว้ที่ไหนบางนาเออเพอ้อเพลยังเป็นทุกข์เป็นร้อนกับหลวงพ่ออีกต่างหากว่าหลวงพ่อใช้เงินไม่เป็นว่าเงี้ยนตอะ เคนนั้นเอามาเลยนะหลวงพ่อใช้เป็นเลยเงินเนะีในใ่ยวันนึงหลวงพ่อเนียใช้เนี่ก็ค่องเลยเงินเนะี่ยวันนั้นถ้ามีเท่าไหร่หลวงพ่อจะจัดการหมดวนะันนั้นแหะให้เกิดประโยชน์แต่ไม่ใช่แต่เฉพาะอันนั้นอย่างเดียวนะฝ่ายพระคอมช่วยทั้งน้ําบัง่ช่วยสะพานบางังช่วยที่ไหนตัวที่ไหนวันนั้นนะอย่างที่อําเภอ พี่มายกับหลวงพ่อก็ขึ้นมาคราวที่แล้วนะครับไปแวะที่นั่นอีกพอหลวงพ่อได้ตกลงเอาไว้ว่าที่ดินประมาณแปดไร่ไหแปดไร่เขาจะขายล้านล้านสี่เนี่ยเขาจะขายล้านสี่แสนหลวงพ่อเออเอาให้พวกคณะสัตา ย, ยาธิยดุยมรวบรวมกันก่อนนะถ้ามันขาดเหลื อ, อยังไง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 งวดขังสุดท้ายนี่ยไม่รู้จะออกงอออกก้อยยังไงมันไม่แน่เหมือนกันนะของพันเลยที่เผลอๆว่ามันจะจบไปแต่ที่ไหนได้มันโผล่มาเราจะต้องได้ใช้อีกเหมือนกันนี่แหละคือจะตะจจัยที่ได้มาโดยเป็นธรรมแต่หลวงพ่อพวกกนัชธายาดยมทั้งที่นั่งอยู่นี่ยคงไม่ได้เห็นมั่งเงิน สองกระถินผ้าป่าจากวัดหลวงพ่ออินนะเออหลวงพ่ออินไม่ค่อยไม่ค่อยมีเนที่เรื่องท่งซอ ง, องเรื่องเรียอะไรอย่างั้นเนละหลวงพ่อในตามมีตามเกิดที่สุดเนตามมีตามเกิดแต่นี้ถอยหลังนะแต่ตนี้ไปข้างหน้าไม่แน่นอนเหมือนกันนะบางที่อาจจะมีก็ได้เนีย๋ยวว่ยหลวงพ่อจะว่าจจะไม่มีเดี๋ไปว่ายอย่างนั้นนะอันนี้เราพูดถอยหลังอย่างนะั้นเลยเนี๋ยวไปข้างหน้าไม่แน่นอนเพราะหลวงพ่อเคยได้เคยได้ยินนะเคยได้ยิน มียายแก่คนหนึ่งไวบ้านอยู่ในอยู่ไม่ใกลจากวัดเหมือนกันสมพานก็สมพานวัดก็ไม่รู้จะหาเงินจากที่ไหนเดี๋ยวก็จัดผ้าปา่าเวลาได้ข้าโพดมาเอาผ้าป่าข้าโพดถ้าเกี่ยวข้าวเสียแล้วเออผ้าทําบุญกลุ้งข้าวเหมือนกัน เ, เดี๋ยวก็ทําบุญนั้นทําบุญนี้เหมือนกันอเพื่อจะสร้าง ศาลาเสร็จแล้วก็สร้างโบสถ์สร้างโบสถ์แล้วก็สร้างกำแพงสร้งกำแพงกับสร้างหอไตรแล้วก็สร้างหอระฆังสร้างไปเรื่อยว่างั้นเะเถอะแต่ละสร้างแต่ละอันนี่ก็โอ้ผ้าพป่าเนี่ยซ อ, องผ้าป่าไม่รู้เท่าไรตัวเท่าไหรแต่ยายนี่เป็นยายขี้เหนียวคนเนี่ยคนขี้ตะนีว่ากันเถอะโอ้เห็นสองผ้าป่าเนี่ยเหมือนกับไม้ทิ่มตาว่างั้นเถะไม่อยากจะเห็นสองผ้าป่าว่ากันเถอะ ออพอเห็นพ้องพ่อป่าต้องจะอ้วกทุกครั้งเหมือนกันเถอะพวกคนขี่เหนียวเห็นสองป้าป่าแล้ไม่ถูกกันได้เอท็นี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงฝ้ายก็อยู่กับบ้านเขาเหมือนแต่เป็นคนรวยกว่าเพื่อนเนี่ทดนี่ไปที่ไหนก็ไม่ไม่ต้องผลนไม่นิยายนะเงั้ยเถอะถึงจะให้มากให้น้อยก็ต้องไปบ้านยายนะเพราะเขาเป็นคนรวยในหมู่บ้านเหมื้นกันเออย่างนั้นไอ้ยายเนี่ยก็อาเก้ออวนเรื่องผ้าป่ามันจกไม่เปลียนสักทีเหมือนนเถะ นีแต่แผลขอแผลขออยู่ตลอดผนละที่สุดยายขี้เหนียวขนาดนั้นก็ตายเป็นเหมือนกันนะยายนั้นก็ตายใช่ไหพอยายตายทถนี้ก็คนขี้เหนียวก็คิดห่วงบ้านห่วงลูกห่วงหลานใช่ไหมล่ะตายแล้วก็วิญญาณไม่ไปไหนเลยไปไม่ไปไหนเหมือนกัน ห, กห่วงลูกห่วงหลานมันมาสิงมาสิงคนในบ้านมามาสิงลูกหลานในบ้านมาสิงลูกสาวหรือมาสิงใครก็ไม่รู้แถนนี้ท้ายกไอ ที่เคยไปส่งซองผ้าป่านั่ยก็ไปส่งตามเรื่องลงไพราเห็นเขาลุ้มกันไปทายกเนี่ยก็หอบซองผ้าป่าไปเมื่อไงได้พอหอบซองผ้าป่าไปไอ้ผีนี่ก็เหลือเพ้นองผ้าป่าอยู่งี้ยผีที่มันเข้าทรงไอ้มันเข้าทรงคนอย่างั้ยนอะมันเข้าสิงคนอยู่ไงไอ้มันก็เหลือเพ้นองผ้าป่าอันนั้นอะไรพเดีทายกเนี่ยซองผ้าป่าคน่ะอ้ะ ข้าเหนือเบือและเกินซองผ้าป่าด้วยข้าเกลียดและเกินเลยหนีแล้วเออก็เลยผีจนเลยก็เลยออกจากคนโดยไม่ได้ไล่ยากเลยเหมืนเันเออดผียายยายขี้ถีจนว่าเกลียดซองผ้าป่ า, างั้ือนนเถิหนีอะไรเหมือนกันเออตั้งแต่บันนั้นมาวันนี้พอเห็นผียายเข้ามาเมื่อไหรเขาเห็นซองมาเลยเขายื่นซองผ้าป่าเลยหนีทุกครั้งเลยเหมือนกันเถิเพราะอะไร ก็กลัวกลัวซองผ้าป่าเางั้นกันเะเออ ม, มันผีมันก็แปลกแตกต่างเหมือนกันนะแฮีผีปอบบางคนก่อกลัวขาใช่ไหมล่ะแต่ผีฝรังนี่กลัวกระเทียมเหงั้นกันเออะแต่ผียายนั่งกับกลัวเนี่ยกลัวซองผ้าป่าว่างั้นกันเถอพราะนั้นหลวงพ่อเห็นเป็นอุตตหอนอย่างงั้นหลงหลวงพ่อก็เลยไม่อยากจะทําเป็นซองให้แกไขครเหมืงนกันกลัวเขาจะหนักใจ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 แต่เพ้อเพ้อเคขู่คืนอีกอยจะไปหาแจกอะไรมากนักหนาสร้างอะไรนักหนาน้ามันมีแต่ขู่เงี้นเนยเพราะนั้นพวกที่จะมาเอาภาพสองภาพป่าให้หลวงพ่อเขาก็ไม่กล้าออกมาอีกเหมือนกันเลยเนี่ยนะเรื่องผีสิงเนี่ยมาอดคิดไม่ได้มาถึงหลวงตายเจ๊กนเหมือนฮะอลุงเจ๊กลุงเจ๊กเนี่ยเป็นน้องชายของหลวงปู่จามเหมือนกัน หลวงปู่จามก็เป็นอาของหลวงพ่อเนี่ยน้องกัน้องชายของหลวงพ่อได้หลวงปู่จามเลยแต่ว่าตาเจ๊กหนิเออน้องหลวงปู่จามองกน้องหลวงปูจงงป่จามอีกที่หนึ่งเหมือนกันแต่เออใช่ใช่พี่ชายของหลวงปู่จามเจ๊กจามจูงเจียงเหมือนกันแต่นี่ตาเจ๊กหน่ไม่ได้แต่งงานยไม่ได้แต่งงานแต่อยู่กับ มาอยู่กับผู้ใหญ่จูงเหมือนกันอะอยู่กับผู้อาศัยอยู่กับผู้ใหญ่จูงมาอยู่กับลูกหลานลูกหลานกรลักเหมือนกันแอ่คนไม่แต่งงานกใจกว้างขวา ง, วางเแต่ก็ช่วยการช่วยงานตามอัตภาพร่างกายไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แต่นี้พอต่อมาต่อมานยลุงเจ๊คเนี่ยตายก่อนอายุเจ็ดสิบกว่านะตายเกือบแปดสิบต่อมาผู้ใหญ่จูมอีกประมาณเกือบเจ็ดสิบมั้ง ตายอีกแล้วก็ภรรยาของผู้ใหญ่จูมอีกตายอีกพอตายเสร็จแล้วแต่นี่ลูกหลานของผู้ใหญ่จูมนั่นเลยทําบุญอุทิศให้วันนั้นทำบุญอุทิศให้ผู้ใหญ่จูมมั้งคบรอบผู้ใหญ่จูมพอทาเสร็จแล้วก็ถ่ายยกเขาก็ถวายอีมานี้ยมายังฟันเตยอย่างที่ว่านะพัตตาเนสปริวลาเนี่ยนะ จากนั้นเขาบอกทําบุญในครั้งนี้เพื่ออุทิศส่วนกุศลเี่ยให้ในายจูมผิวขำนั่งดวงผิวขำที่หลวงรับไปแล้วให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลอที่พวกลูกหลานได้ทําบุญในวันนี้พอทําบุญเสร็จแล้วก็ได้กระซาตุประสงค์อนุโมทนาให้พรพออนุโมทนาให้พรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปไปกินข้าวถึงว่ากกินข้าวผีผีลงเจ๊กนะ ไอ้ผีลุงเจ๊กเนี่ยเข้าสิงเข้าสิงไอ้หลานเขยเหมือนกนเถอะหลานเขยเข้าสิงนอนเช้นอนเ น, นีนน่ยนะนอนอยู่ในกลางบ้านเนี่ยนอนนอนคว่ำหน้าเหมือนกันพอนอนคว่ำหน้าเสร็จแล้วทําอาการเหมือนกับลุงเจ๊กที่สมัยเป็นสมัยยังมีชีวิตอยู่เหมือนกันเถอะคือลุงเจ๊กเนี่ยท่านได้โกรธให้ใครเล้วก็จะนอนคว่ำหน้าแล้วก็ถมน้ําลายปิดตีดขาเหมือนกันเถอะ อดีดขาหลังสองขาเนี่ยแล้วก็ถมน้ําลายเออแล้วก็ขนาดแปว่าโกรธมากๆแล้วไม่พอใจให้แก่ใครแล้วงั้นถะาในผีมันเข้ามามันก็นอนเมเปอย่างนั้นแล้ว่งั้นแต่มันก็ถมน้ํำลายไปข้างหน้าดีดขาอีกลูกล้านเอาไปไปกินข้าวแม่ขงั้นไปไปท่านเฉยอ้าคนคนที่มันมันไม่น่าจะเป็นอย่างนี้มันมันผีเข้าเลยนี่ว่างั้นไอ้คนหนึ่งบอก อผีเข้าได้หนิผีสิงเนี่ยเดนียวเงินเออมันไพนะ่เนี่ยมันผีใครเนี่ยว่าฉันแต่ลักษณะนี้เหมือนผีลงเจ๊กนะเนี่ยนอนนอนนอนคว่ำหน้าอย่างนี้ว่าฉันฮะมันผีลงเจ๊กเลยเเโกนี่แหละผลมาเอออโกนี่แหละผนมาเอาเป็นยังไอ้ลุงทําทไมยังมาสิงอย่างนี้อกูไม่กูไม่พอใจอย่างมากเลยท่านเลยกูก็เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมาจนพอแรง แต่ให้กูอดกูอยากกูก็ไม่อดไม่อยากกูไม่อยู่มีกินกันแล้วกันอย่างั้นกูไม่อดไม่อยากแต่กูเสียใจอย่างมากที่ลูกหลานไม่เอ่ยถึงกูเลยอย่างนั้นนะเออไม่เอ่ยชื่อทั้งกูเลยเอ่ยแต่ชู้ถึงแต่บักจุ่มกับอีดวงเลยอน้องชายกับน้องสะพ้ยกูก็เลี้ยงสูมานมนานเหมือนกันสูไม่เรียกถึงชื่อกูเลยกูเสียใจอย่างมากกว่าผีผีเสียใจว่างั้นนะโอ้ แตกท่าโอ้ยขอยอมเลยลุงเอ้ต่อไปจะไม่จะไม่ให้มีอย่างนี้อีกต่อไปยอมละจะไม่ให้มีอีกเต่อไปนี่จะไม่ให้มีอีกยอมรับสารภาพแล้วเป็นความผิดของลูกของหลานและข่าวเนี่ยเออกน้องอีลุงเนาะก็ออกได้แ่ะออกปุ๊กปั๊บวะอ้าวผมเป็นยังผมเออผมเป็นไอ้เนั่ยไอ้เป็นผู้ชายไท้ๆด้วยนะเอาผมไปยังโว้ยผีลุงเจ๊กโกเสียงหรือวะ ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาในบ้านห้วยทรายเขาจะทำบุญหาใครเนะี่ยเขาจะเรียกมุดตั้งปูยา่าตาย า, ายวงสาคานาติ <c oughs> เรียกให้ครบเลยว่างั้นเถอะเนี่ยนะมันแปลกเหมือนกันนะเอามันแปลกเหมือนกันนะสิ่งที่ว่ามีวิญญาณวิญญาณเนี่ยถึงว่าไม่น่าเชื่อมันเชื่อมเหมือนมันเห็นนั่นเลยนาะอันนี้ที่ว่าลุงเจ๊ลุงเจ้งนึ่เออเป็นอาโยมอาของหลวงพ่อว่างั้นเถอะเออแต่หลวงพ่อนี่ยเรียกลุง ทั้งที่โยมพ่อโยมพ่อของหลวงพ่อเลยเป็นพี่ชายอแต่หลวงหลวงพ่อพวกหลานหลานนั่นแหะเรียกลุงเจ๊กเพราะว่าพวกหลานหลานน้องๆของหลวงพ่อมีมากน้องน้องของโยมพ่อมีมากประรลูกท่านก็มีมากที่นั่นก็เรียกลุงทั้งหมดพวกเราก็เลยเรียกลุงตามเหมือนกันลุงเจ๊กเข้าไปสิงคนเหมือนกันแต่นี่แหละวิญญาณเเนี่ยอตายแล้วไม่สูญสรุปแล้ว ได้เห็นอยู่นะวิญญาณนะเนี่ยบางทีก็โผล่ขึ้นมาอย่างพวกเราได้เห็นมันจริงอย่างที่เขาว่าเนะี่ยพวกบ้านห้วยทรายเนะ่ยโอ้ตุ้งเจ็กคักและเขาว่างันนะตุ้งเจ็กมาสิงว่างันนะโอ้พูดอะไรวันนี้วะพูดเตลิดเปิดเปิงเสียยืดยาววะอันละพรในต้นนี้นะ